สวดมนต์เราได้ปฏิบัติธรรมหลายประการทีเดียวเรมตั้งแต่เวลาเรากราบถ้าเรากราบด้วยความอ่อนน้อมนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมากรรมตะได้นะสัมมากรรมตะการกระทำชอบมันแสดงออกนะด้วย การอ่อนน้อมนะเวลากราบเวลาเราสาธยายนะสวดมนต์นะเราก็กำลังปฏิบัติสัมมาวาจาในช่วงเวลานั้นนะการที่จะใช้วาจาไปในทางทำร้ายผู้อื่นนะมันก็เป็นไปไม่ได้นะ ที่จริงตอนที่เราสวดมนต์เนี่ยนะแม้ว่าเราจะไม่ได้กราบแต่ว่าระหว่างที่เราสวดมนต์การที่เราจะไปทําผิดศีล น, นะข้อที่1 2ึ่งสมสี่ห้านี่ก็เป็นไปไม่ได้นอกจากสัมมาคัมมันตะนอกจากสัมมาวจาแล้วเนี่ยระหว่างที่เราสวดนะเรามีจิตใจนะ แ น, แน่อยู่กับบทสวดมนต์เวลาใจเผิอคิดนึกไปในเรื่องต่างๆก็รู้ทันแล้วก็พาใจกลับมาไม่ปล่อยใจลอยอันนี้เราก็กาลังเจริญสัมมาสติแล้วเมื่อจิตใจเราแน่ๆอยู่กับบทสวดมนต์นะมันก็เป็นสัมมาสมาธิได้ การเดียวกันถ้าเราพิจารณาพิจารณาเนื้อความนะสาระของบทสวดมนต์แล้วนะก็เป็นการนะเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าใจสัจธรรมความจริงและข้อปฏิบัติหลายข้อในอริยมรรคมีองค์แเนี่ย เราก็ทำนะได้ในระหว่างที่สวดมนต์แต่ถ้าเราปล่อยใจลอยนะหรือว่ามาสวดมนต์เพียงแค่มันเป็นหน้าที่เป็นระเบียบแต่ว่าใจเราไม่มีให้กับการสวดมนต์อันนี้มันก็เสียประโยชน์นะ มันก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกช่วงที่เรามาสวดมนต์เนี่ยการที่เราจะใช้ปากในการทรําร้ไข่นะที่เป็นบูสาวาตหรือว่ามิฉาวาจาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยให้ใช้โอกาสนะที่เรามาสวดมนต์ตลอดจนการทากิจต่างๆเนี่ย เป็นไปเพื่อเพิ่มพูนนะข้อปฏิบัติต่างๆในอรอยิย ม, มักเมีอง8แปดให้มันงอกงามมากขึ้นนะโดยเพราะการจเจริญสัมสมาสตนะิที่นี่เนี่ยก็มีอีกชื่อหนึ่งว่า ส, สถาบันสติปัฏฐานสุกตมีหลายชื่อนะชื่อเดิมเแร ก, กเริ่มเดิมทีก็ชื่อวัด เอาราวันป่าสุกโตนี่ก็ตามมาทีหลังตอนหลังก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะสถาบันสติปัฏฐานนะเพื่อบ่งบอกถึงจุดหมายหรือว่าภารกิจนะของที่นี่นะก็คือการสร้างสมาสติให้เกิดขึ้นหลายคนมาอยู่วัดเป็นเดือนหรือบางทีอยู่เป็นปีแล้วยังไม่เข้าใจเลยนะว่าสติคืออะไร อย่าพูดถึงการปฏิบัติเลยนะอันนี้ก็น่าเสียดายเพราะว่าถ้าไม่รู้ว่าสติมันคืออะไรไอ้การที่จะได้ประโยชน์จากการอยู่ที่นี่มันก็น้อยลงเวลาครูบาอาจารย์บอกว่าเนี่ ย, ยหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเนี่ย หลายคนมาอยู่วัดนะนานเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอย่างไรมันต่างกันอย่างไรนะอันนี้เพราะว่าไม่ได้ปฏิบัตินะเวลามีอารมณ์หรือความคิดเกิดขึ้นนะแล้วก็หายเข้าไปจมพลัดเข้าไปในอารมณ์นั้นนะเข้าไปในความคิดนั้นนะก็ไม่รู้วันเนี่ยคือ เข้าไปเป็นลว เ, นเวลากโกรธนะเวลาโมโ ห, โหมีความโกรธมีความมีโทสะเกิดขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโกรธรู้สึกว่าตัวเองนะกลังโมหโหก็ไม่รู้ว่าเนี่ยคือเข้าไปเป็นแล้วนะอันนี้เพราะว่า ไม่เคยใช้สติเนี่ยในการที่เข้าไปดูความคิดไปเห็นความคิดนะไม่รู้จักสภาวะเห็นนะภาวะดูนั่นพอมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็เข้าไปจมหายอยู่ในอารมณ์นั้นมันสั่งให้ ดาก็ดานะมันสั่งให้ตะคอกก็ตะคอกมันสายตะวาดก็ตะวาดมันก็ทาให้เกิดนะมิจฉาวาจาขึ้นนะและบางทีก็ทาให้เกิดนะการผิดศีลขึ้นมามุสาวาดนะสานักปฏิบัติธรรม หลายต่อหลายแห่งเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้มากนะคือการใช้วาจาในทางที่เบียดเบียนกันด่าว่ากันนะหรือว่าดินทาใส่ร้ายกันไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นนะเฉพาะในนอกวัดานั้นในวัดนี่ก็เกิดขึ้นอยู่ เป็นประจำมันไม่ได้แตกต่างกันเลยในเรื่องนี้นะระหว่างนักปฏิบัติธรรมกับไม่ปฏิบัติธรรมในแง่ของปฏิบัติธรรมนี่ก็การใช้วาจาในทางที่เบียดเบียนกันนี่มีเยอะมากอย่างเบาๆก็ดินทากันดินทากันพอดินทาแล้วก็ ใส่สีใส่ไข่เข้าไปและถ้ามันถูกใจคนก็เชื่อง่ายพอเชื่อง่ายก็เอาไปเผยแพร่ต่อมันก็ไปสร้างปัญหาทำความเดือดร้อนให้กับผู้คนที่ถูกเอ่ยถึง การพูดจาสอดเสียก็เหมือนกันนะสอดเสียคือว่าพูดเพื่อทำให้เขาเกิดความแตกแยกกันนะอันนี้มันก็มันก็ผิดนะจัดอยู่ในสี่งข้อที่4ได้เหมือนกันนะการผิดสีงข้อที่4สีงข้อที่4เนี่ยนะมุสาวาส น, นี่ส่วนใหญ่ก็ไปเข้เาใจหมายถึงการาโกหกนะ เจตนางดเว้นจากการโกหกการกล่าวเท็จที่จริงแล้วเนี่ยมันมีความหมายที่ละเอียดกว่า น, นั้นในกุศล ก, กรรมหมดสิบประการเนี่ยนะจะขยายความนะใหนะ้คลุมไปถึงว่าการนินทานะการพูดเพอ้อเจ้อเนี่ยเพอ้เอเจ้อนี่ก็เป็นนินทาอย่างหนึ่ง การพูดสอ่อเสดการพูดคำหยาบด่าวา่าโดย้อยคำรุนแรงนอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระวังมากนะคนบราณเขาว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหาในสำนักปฏิบัติธรรมในวัด มันก็เรื่องเด่นเดนคือเรื่องนี้แหละนะการใช้ปากนะในทางที่ไม่ถูกต้องที่จริงถ้ามีสตินะถ้ามีสติเนะี่ยปัญหานี่มันไม่เกิดนะเพราะว่ามีเวลาเกิดโทสะขึ้นหรือว่าเกิดความาสนุกสนานก็รู้ทันนะไม่ปล่อยให้มันครอบงำใจ เวลาเกิดโทสะมันก็อยากจะทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจานะเป็นเบื้องต้นก็นินทาบาังใส่ร้ายบางโกหกบ้างหรือไม่ก็ด่าอันนี้มันมันแสดงให้เห็นถึงการเรียกว่าสอบตกนะในเรื่องของสัมมาวาจารจริ ง, รงถ้าเราคุมเรื่อง เรื่องการใช้ปากการใช้วาจาไม่ได้เนี่ยไอเรื่องการพ้นทุกเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะว่ามันใช้ในความอ่อนแอตั้งแต่ขั้นของการที่ไม่มีสติหรือว่าไม่มีขันตินะไม่มีสตินะยังไม่รู้จักสติไม่เป็นไรแต่ก็ให้รู้จักขันตินะคือความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ต่อคําพูด ของคนอื่นแล้วก็ต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะมีความโกรธมีความโมโหมีความขุ่นเคืองก็อดกลั้นเอาไว้นะไม่ปล่อยออกมาเป็นคำพูดนะที่เชือดเฉือนหรือว่าต่อว่าด่าทอถ้าว่าเราปฏิบัติธรรมนะทำตรงนี้ไม่ได้เนี่ยนะเรื่องการ พ้นทุกข์นะก็เป็นอะไรไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าสอบตกตั้งแต่ขั้นต้นแล้วเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังมากการใช้วาจาที่จริงอยู่ในวัดนี่นะสิ่งกระทบมันก็น้อยอยู่ยแล้วนะถ้าเทียบกับโลกภายนอก สิ่งที่จะกดดันมันก็มีน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายได้เจอกันเมื่อสองสมันก่อนได้ดูคลิปวิดีโอนะคงเป็นการถ่ายจากกล้องวงจรปิดในสํานัก ง, งานแห่งหนึ่งนะอันนี้ในเมืองนอกผู้หญิงคนหนึ่งก็คุยโทรศัพทนะ์คุยนั่นแหละนะคุยแล้วคุยอีกไม่รู้ว่าคุย กี่ครั้งนะคุยไปก็สนุกสนานไปพอสนุกก็เสียงดังเพื่อนผู้ชายนั่งคิดงานอยู่ใก ล, ใกล้โต๊ะมันใกล้ ก, ลกันก็คงเครียดกับการคิดงานนะคิดไม่ออกแล้วก็ยิ่งได้ยินเสียงผู้หญิงมานะคุยโทรศรัพท์เสียงดังห่างกันประมาณสักหเมตรได้ ผู้หญิงคุยกันอยู่สักพัก น, นก็คงจะนานนะห้าทีสิบนาทีหรือว่าจะคุยเรียกว่าทั้งวันเลยก็ได้นะอันนี้ก็ดูไม่ชัดเพราะว่าคลิปวีดีโอมันก็คงถ่ายแบบตัดๆครับผู้ชายคนนั้นเนี่ยนั่งคิดงานด้วยความเครียดคิดไม่ออกนะสุดท้ายนี่ก็เดินไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เอาโทรศัพท์เนี่ยฟาดกับโต๊ะ ฟาดฟาดฟาดนะกระแทกกระแทกกระแทกจนโทรศัพท์พังนี่ไม่เลิกกระแทกอีกนะกระแทกกระแทกประมาณสิบครั้งได้นะไม่ท่านั้นไม่หนำใจก็ยังเอาโทรศัพท์โยนคว้างออกไปไกลๆอย่า ง, นะางดีนะั้นที่ไปไม่ทำลายผู้หญิงนะมันก็มาออกที่โทรศัพท์ผู้หญิงคนนั้นก็ขวัญแตกกระเจิงไปเลย อันนี้มาสะท้อนหนึ่งเพราะว่ากดดันนะของคนในสำนักงานอีกรายหนึงนะ่งเนี่ยกำลังนั่งคุยโทรศัพท์ก็แค่เป็นอเซ l center นะอยู่รอบโตะเลยโต๊ะน้าก็มีประมาณห้าหกเจ็ดแปดคนก็มีคนก็คุยอยู่นั่นแหละนะไอ้คนตรงข้ามนี่ก็คงกำลังเครียดอะไราบางอย่าง ตอนหลังสติแตกนะขึ้นโต๊ะนะปีนขึ้นไปบนโต๊ะแล้วก็กระโดดลงไปหาผู้ชายคนนั้นแล้วก็เรียกว่าบีบคอเลยนะเรียกว่าคุมคลั่งไปเลยอันนี้คือสภาพที่เกิดขึ้นนะในโลกภายนอกนะมันกดดันมากมันต่างจากที่นี่นะที่นี่ไอความกดดันมันก็ไม่นขนาดนั้น แต่ว่าเราก็บ่อยครั้งก็คุมอารมณ์กันไม่ได้นะให้คุมอารมณ์พอคุมอารมณ์ไม่ได้มันก็ระเบิดออกมาเป็นคำพูดนะต่อว่าทิมแทงวันนะี้ก็ทำเป็นนิสัยเลยนะไม่รู้ตัวว่ามันเป็นมันไม่ใช่วิสัยนักปฏิบัติธรรม อันนี้ก็น่าเสียดายนะเพราะว่าเรามาอยู่ในสํานักที่เรียกว่าสถาบันสติปัฏฐา น, นแต่ว่าแม้แต่การควบคุมอารมณ์หรือว่าการควบคุมวาจาก็ยังทําไม่ได้นะไม่ต้องพูดถึงเรื่องนิพพานหรือว่าการพ้นทุกข์เอาแค่รู้รูปนามเนี่ยมันก็ไม่มีหวังแล้วนะเพราะว่า อสอบตกขั้นตั้งแต่ขั้นในขั้นสีลแล้วนะก็คือมิจฉาวาจานะสัมมาวาจาไม่ผ่านนะเราต้องระมัดระวังนะเรื่องการาใช้วาจาเนี่ยเพราะมันเป็นแบบฝึกหัดขั้นต้นเท่านั้นแหละอย่างน้อยน้อยนี่ก็ให้ปิดปากเอาไว้นะเวลาโกรธนะไม่พูดออกไป นะไม่ทำร้ายเขาด้วยด้วยการนินทาว่าร้ายนะบางคนอาจจะไม่ถึงขั้นด่าตะโกนตะวาดนะแต่ว่าใช้วิธีการนินทาเป็นการทิ่มแทงต้องฝึกนะอย่างน้อยต่างอย่างต่ำอย่างต่ๆคือว่าคุมวาจาของเรา้เรื่องคุมกายนี่มันมันก็ควรจะผ่านตั้งแต่แรกแล้ว ถ้าคุมคุมการกระทำไม่ได้นี่ก็แย่นะมันก็มีนะบางสมัยบางปีนี่พระก็ต่อยกันนะไม่ใช่แค่ด่าว่ากันต่อยกันแม่ชีก็เอาเอาวุธมาทำร้ายกันจนหัวแตกต้องไปเย็บหลายเข็มอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะแม้กระทั่งการ ทำร้ายกันทางกายก็ยังห้ามไม่ได้นิ่งกี้แล้วมันต้องได้ทั้งเรื่องการควบคุมกายนี่มันต้องเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วตามมาด้วยการควบคุมวาจานะอย่างน้อยๆก็ไม่ด่าออไปดีกว่านั้นคือว่าไม่ไม่นินทาไม่พูดจาว่าร้ายทิมแทงกันเมื่อคุมวาจาได้แล้วเนี่ยก็ขั้นต่อมาคือคุมใจนะ ไม่ปล่อยให้ความโกรธนะความเครียดมันครอบงําใจตรงนี้แหละที่สติเนี่ยสำคัญแต่ก็อย่างที่บอกว่าหลายคนนะมามาอยู่วัดน ะ, ะเป็นเดือนเป็นปีบางทียังไม่รู้ว่าสตินี่คืออะไรครูบาจารยบอกเนี่ยเห็นอยาเข้าไปเป็นรู้ซื่ อ, อก็ยังไม่เข้าใจอันนี้น่มามาเสียดายมาก ต้องทงองเข้าใจนะเกี่เรื่องสตินะถ้าเรารู้จักสติเนี่ยมันจะก็เหมือนกับว่าเรามีสิ่งที่จะคอยรักษาใจสติมันมีคุณสมบัติหลายอย่างนะผู้เจ้าก็เปรียบเทียบนะให้เห็นเป็นภาพนะบางทีท่านก็เปรียบว่าสติเหมือนกับ ยามที่เฝ้าประตูเมืองประตูมันมีเมืองมีกําแพงแล้วนะแต่ว่าประตูนี่คือจุดอ่อนศัตรูก็เข้ามาทางประตูก็มียามนี่แหละคอยเฝ้าไม่ให้ศัตรูนี่เข้ามาลุกรานทําร้ายผู้คนในเมืองได้อันนี่เป็นความเปรียบนะ แต่ว่าถ้าเปรียบให้มันใกล้ชิดนะให้มันใกล้กว่าใกล้กับ น, นั้นนะก็คือท่านเปรียบว่าสตินี่เหมือนกับหอคอยคนที่มีสติคือคนที่อยู่บนหอคอยแล้วก็ดูกระแสน้ํากระแสน้ําคือกระแสาอารมณ์นะหรือกระแสจิตนะเช่นความคิดและอารมณ์ คนที้ไม่มีสเตต์นก็คือเหมือนกับคนที่ลอยคออยู่ในกระแสน้ําถูกกระแสน้ําพัดพาจะเป็นกระแสตันหาอโลภะหรือว่าโมหะหรือว่าโทสะก็แล้วแต่คนที่จมอยู่ในกระแสน้ําหรือโดนกระแสน้ําพัดพาเนี่ยก็คือก็เปรี่ยนได้เข้าไปเป็นนะเป็นเนี่ยคืออันนั้นแหละ ม, ม, มีความโกรธเกิดขึ้นก็เป็นผู้โกรธมีความโลภเกิดขึ้นเป็นผู้โลภ มันก็ไม่ตายจากคนที่ลอยคอยอยู่ในกระแส น, น้ำถูกกระแส น, น้ำพัดพาไปส่วนผู้ที่มีสติก็เหมือนคนที่อยู่บนหอคอยนะอยู่บนหอคอยก็เห็นกระแส น, น้ำมันไหลแต่กระแส น, น้ำก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้มันก็ตรงกับที่ครูบาอาจารย์บอกเห็นนะอย่าเข้าไปเป็นมีอารมณ์เกิดขึ้นก็มีสติออกมาดู เหมือนกับดูละครนะแต่ดูละครนี่มันก็ยังไม่ปลอดภัยเพราะมันอยู่ในยังอยู่ยอยู่ในระนาบหรือระดับเดียวกับคนเล่นนะแต่ถ้าเป็นหอคอยเนี่ยมั น, ม, นมันให้ภาพที่ชัดเจนว่าแค่ดูเฉยๆนะกระแสน้าที่ไหลเนี่ยมันจะมีอะไรนะพัดผ่านมาก็แค่ดูมัน บางทีมีเรือสำรานแล่นผ่านเอก็ดูมันไปแต่ว่าคนที่คนที่ไม่มีสติก็เหมือนกับว่าพอเห็นเรือสำรานะก็โจรนนะลงน้ําเพื่อไปขึ้นเรือสำรานอยากจะสนุกนะหรือบางทีเห็นหมาเน่าลอยน้ํามาก็พยายามลงน้ําไปผักไปไสมันนะอันนี้เราเข้าไปเป็นละผักไสก็ดีไขว้คว้าก็ดีก็ถือว่า ไม่มีสติทั้งนั้นนะแต่สติคือเขามันเห็นนะเห็นเพราะว่ามีที่ตั้งนะที่ตั้งคือหอคอยถ้าปฏิบัติแล้วมันไม่เจอภาวะแบบนี้เนี่ยนะก็ถือว่ายังไม่ค่อยรู้จักสติเท่าไหร่นะก็อาจจะทำแต่เรื่องให้ทานหรือว่าฝึกความเพียรหรือว่าฝึกขันตินะแต่ว่าสภาวะ ที่ดูเห็นเนี่ยมันไม่รู้จักนะก็ไม่เข้าใจนะว่าสติมันสำคัญอย่างไรบ้างเนะ่เพราะว่าเป็นผู้ดูผู้เห็นไงแหละนะถึงจิตถึงปลอดภัยไงนะนะอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมามันก็แค่เข้ามาเข้ามาจรเข้ามาแต่ว่าไม่สามารถจะครอบครองใจได้ ก็เลยเปลี่ยนมันก็ว่ามันไม่สามารถเข้าประตูเมืองได้เพราะว่าทหารยามกันเอาไว้แต่หน้าที่ของสติจริงคือดูนะดูแลลึกรู้นะื่อทีผู้เจ้าก็เปลี่ยนนะว่าสติเนี่ยทำงานเมื่อคนที่พาวัวเนี่ยเป็นผู้ดูเป็นผู้เลี้ยงวัวนะพาวัวออไปกินหญ้า ก็ต้องคอยป้องกันไม่ให้มันเข้าไปกินข้าวชาวบ้านเขานะกินหญ้าได้แต่อย่า ก, กินข้าวชาวบ้านหน้าที่ของคนเลี้ยงวัวคือคอยดูแล ว, วัวนะไม่ให้มันเผลอไปกินข้าวชาวบ้านเดี๋ยวก็จะเกิดความเดือดร้อนและถ้าเกิดว่าฤดูเก็บเกี่ยวผ่านไปนะไม่มีข้าวเหลือแล้วนะคนเลี้ยงวัวก็แค่ดูวัวห่าง พอรู้ว่าวัวนี่มันไม่ไปทำความเดือดร้อนให้ใครดูด้วยใจที่ผ่อนคลายดูด้วยใจที่สบายนะไม่ต้องระวัดไม่ต้องระแวดระวังมากนะการดูด้วยด้วยด้วยความรู้สึกผ่อนคลายเนี่ยนะมันก็เป็นงานของสติอย่างหนึ่งนะ คือถ้าเราดูถ้าเรารู้จักดูนะรู้ทันอารมณ์นะไม่เข้าไปเป็นนะผู้โกโรธนะผู้เกลียดผู้โลภเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคนที่เลี้ยงวัวแล้วก็ปล่อยให้วัวหากินโดยที่ไม่ต้องห่วงแล้วว่ามันจะไปกินข้าวของใครเพราะว่าข้าวเนี่ยเกี่ยวเรียบร้อยแล้ว เป็นการดูแบบปล่อยวางดูแบบอุเบกขาเนี่ยแหละนะอันนี้ก็เป็นเปรียบได้กับคนที่ได้เจริญสติมาเนี่ยนะดูด้วยใจที่ปล่อยวางนะแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องวิตกไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนะให้การดูด้วยใจที่ผ่อนคลายนีย่มัน ถ้าหากว่าไม่ไม่รู้จักสตินี่ก็นึกไม่ออกว่าดูยังไงนะแล้วก็หลายคนก็พยายามไปกดไปข่มนะปฏิบัติไปแต่ไปเข้าใจาว่าการกดขม่มอารมณ์การการกดขม่มความคิดนั่นแหละคือนะวิธีการที่ครูบาอาจารย์สอนที่จริงไม่ใช่เลยนะแค่รู้ทันเฉยๆแล้วก็ถ้าสติพัฒนามากเนี่ยนะ การดูด้วยการด้วยใจที่ผ่อนคลายก็ได้มันไม่ได้ต้องให้วิตกกังวลบางท่านก็เปรียบเหมือนว่าสติเนี่ยคนที่การคนที่มีสติหรือการเจริญสติก็เปรียบว่าคนที่ทูลมีหม้อ น, น้ําอยู่นะแล้วก็วางไว้บนหัวเรียกว่าทูล น, นะทูลหัวนะ น้ำนี่มันเต็มหม้อเนี่ยนะเวลาวางไว้บนหัวเนี่ยนะก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังก็ต้องรู้จักนะเดินให้ให้มีสมดุลนะเพราะถ้าเดินเอียงน้ําก็กระชอกนะการที่เดินแล้วก็ทูลหนะม้อ น, น้ําไว้บนหัวมันต้องอาศัยการทรงตัวที่ได้สมดุลพอดีพอดี การจลน์สติก็เป็นอย่างนั้นแหละอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยว่าพ่อชงเจ็ดเนี่ยนะมันเป็นเรื่องความสมดุลที่ต้องอาศัยสตินะระหว่างธรรมวิจัยนะวิริยะความเพียรแล้วก็ปิตินะกับ อ, กอีกกลุ่มหนึ่งนะก็คือปัจจุสมาธิ แล้วก็อุเบกขาเนี่ยต้องได้พอดีพอดีกันอะไรที่ทำให้พอดีนะก็คือสตินั่แหละการเจริญสตินี่มันช่วยปุคคนที่มีสติเนี่ยมันจะเกิดความพอดีขึ้นระหว่างองค์ธรรมนะไม่เกินไม่ขาดอินรียห้าก็เหมือนกันนะสติทำให้เกิดสมดุลระหว่างศรัทธากับปัญญา ทำให้เกิดความพอดีระหว่างวิริยะกับสมาธิบางทีท่านก็เปรียบว่าสตินี่เหมือนกับสารทีที่ควบมา้าคุมม้าเนี่ยม้ามีหลายตัวม้ามีสี่ตัวเนี่ยนะมันต้องคุมให้ได้พอดีพอดีถ้าม้าตัวไหนวิ่งเร็วอีกอีกตัวหนึ่งวิ่งช้ามันไม่พอดีกันมันก็เกิดปัญหาขึ้นได้หน้าที่ของสารทีคือคุมมา้านะ ให้วิ่งได้พอดีพอดีกันแั้นถ้าเรามีสติเนี่ยนะไอการทำให้เกิดความพอดี น, นะระหว่างคุณธรรมหรือองค์ธรรมต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะศรัทธากับปัญญาก็พอดีพอดีกันนะวิริยะกับสมาธิก็พอดีพอดีกันอันนี้ผู้อาจาท่านเปรียบนะท่านอุปมาอุปไมยสติว่ามันทำหน้าที่หลายอย่าง นะแต่ว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานกนะ็คือการที่ทําหน้าที่ช่วยดูนะเหมือนกับยืนอยู่บนหอคอยแล้วก็ดูน้ำที่มันไหลน้ำมันจะแรงอย่างไรนะก็ไม่ทําให้เราเดือดร้อนเพราะเราอยู่บนที่สูงนะอารมณ์มันจะเกิดขึ้นอย่างไรหลากหลา ย, ยางไงนะเราก็แค่ดูมันเฉย ไม่ต้องกดคมมันแค่ดูมันเห็นมันนะมันก็เลือนหายไปเนะี่ยเรามาปฏิบัตินะที่นี่เนี่ยต้องเข้าใจนะว่าสติมันคืออะไรมันทำงานอย่างไรนะแล้วก็มาใช้นะในการดำเนินชีวิตในการเกี่ยวข้องกับผู้คนนะโดยเพราะเนี่ยเรื่องการควบคุมอารมณ์แล้วก็การควบคุมวาจาเนี่ยที่สำคัญมาก พเราอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นเป็นหมู่คณะเป็นชุมชนนะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะและถ้าเกิดว่าจิตใจนะไม่รู้จักอดทนนะต่อสิ่งที่มากระทบนะใครทำอะไรไม่ถูกใจก็เกิดความขุ่นมัวเกิดความขุ่นเคืองปล่อยให้ความโกรธมันครอบงำ ถานั้นไม่พอนะยังคุมปากไม่ได้นะก็ใช้วาจาทำร้ายกันทิมแทงก็ยิ่งแย่ก็ไปใหญ่นะอันนี้มันก็ถือว่าหน้าขายหน้านะเพราะว่าอยู่เป็นชุมชนนักปฏิบัติธรรมจะเจริญสตินะปาก็มุ่งว่าอยากจะหลุดพ้นอยากจะนิพพานทุกชาก็ สวดว่าทำฉนายการทำที่สวดแทงกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้แต่ว่าเพียงแค่แบบฝึกหัดพื้นฐานนะคือการควบคุมกายควบคุมวาจายังทำไม่ได้นะแล้วจะทำอย่างอื่นได้อย่างไรนะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ให้ไปศึกษาพิจารณากันด้วยนะ